ปกติถ้าเกิดว่ายังไม่ไม่ได้ตื่นมานั่งสมาธิตอนเช้าทุกๆวัน น, ะนานๆทำทีก็าอาจจะยังไม่ค่อยชินมนไม่ค่อยชินนี่ทีนี้เวลาตื่นตื่นปึ๊บลุกจากเตียงมันก็มีความรู้สึกตื่นตัวขึ้นนิดหน่อย แต่พอมานั่งหลับตาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มมีความรู้สึกเหมือนแบบจะกลับไปนอนซ้ํำนะทีนี้มันเป็นยังไงเวลาที่เราหลับตาปุ๊บสติมันก็จะจมๆลงไปสติเหมือนกันมันมันเหมือนอารมณ์ที่คนเรา ปัตตาแล้วเราจะเข้าพักทีนี้เราก็ถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็มีสติให้เห็นกายมันนั่งอยู่เห็นกายมันนั่งอยู่เห็นลมหายใจเข้าหายใจออกแต่ถ้าเราไม่ได้ ไม่ได้ละเอียกดกับมันเนี่ยหลับตาสักแต่ว่า เ, ออเดี๋ยวเราจะดูลมหายใจแน่นอนด้วยความที่เรายังไม่ค่อยชินนะเยังไม่ค่อยชินป๊บหลับตาเนี่ยมันก็จะชินแบบเก่าก็คือจะกลับไปหลับซ้าสติมันก็จมลงไปในอารมณ์จมลงไปในอารมณ์ที่มันเงียบๆนั่นแหละ กาจมลงไปในอารมณ์เงี่ยงี้แล้วก็เข้าระวังไปแต่สิ่งที่เราอยากจะได้ตอนนี้ก็คือความตื่นสติที่มันเป็นสภาพตื่นตื่ น, นรู้ดังนันการที่เราหลับตาแล้วเราเห็นตัวเรามันนั่งอยู่ด้วยจะบอกว่าตาเห็นก็ไม่ใช่หรอก เป็นความรู้สึกนี่เป็นความรู้สึกที่รู้สึกถึงกายที่มันนั่งอยู่แล้วก็มีความใส่ใจของเราเนี่ยจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรืออยู่กับคำบริกรรมคือพุทโธ แน่นอนแหละการที่เราตื่นขึ้นมาตอนเช้ามันก็ยังไม่ได้คิดน้นคิดมีวุ่นวายไปแต่มันก็จะมีอย่างที่บอกนั่นแหละว่มันไม่คิดวุ่นวี่วุ่นวายมันก็ง่ายต่อการที่เราจะหลบเข้าประวังหลับเข้าไปเพราะฉะนั้นบางทีมันก็บาลานซ์ยากเหมือนกันระหว่างทําให้ไม่หลับกับทําให้ไม่ฟุ้งซ่าน ให้มันอยู่พอดีพอดีอยู่แบบค้นตื่นแล้วก็อยู่แบบสบายๆนิ่งๆไปซึ่งเราทําได้มันก็เป็นการให้อาหารเป็นการให้อาหารใจยังไม่นอนล้วก็ต้องคอยระวังนะเวลาที่ มันอาจจะรู้สึกถึงความที่เรานั่งอยู่รู้สึกถึงลมงหายใจเข้าลมหายใจออกแต่ถ้าเราหรือเมื่อไหร่โอกาสที่มันจะขโมยหนีขโมยไปอยู่กับความเงียเงีขโมยไปอยู่กับอารมณ์ที่มันนิ่ง ใช่เพราะเราบานทีเราไม่ชินพอไม่ชินแล้วก็รู้สึกว่าหลับตาเมื่อกี้ก็เพิ่งนอนมาพอเพิ่งนอนมาแล้วก็กลับเข้าไปหลับสัานอีกรอบหนึ่งอาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องที่ทําง่ายๆอาจจะดูเหมือน เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานั่นที่เราตื่นมาแล้วก็มานั่งทำความสงบใจมีสมาธิมีสติที่มันตื่นคอยเฝ้าดูรู้ลมหายใจหรือว่ามีเครื่องอยู่คือคาบริกรรมพุโทโธอยู่รักษาใจเราอยู่อย่างนี้อาจจะดูเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาง่ายๆ แต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่มันยิ่งใหญ่เลยเป็นเรื่องที่ถ้าเราลองเทียบดูในหนึ่งวันหรือในหลายๆวันหลายๆเดือนหลายๆปีที่ผ่านมาเราทำอะไรบ้างให้มันมีประโยชน์ หรือดูแลจิตใจให้มันได้อย่างดีแบบนี้แน่นอนแหละเราอาจจะเหมือนดูแลก็คือเราพามันเราพาร่างกายมันไปกินไปดื่มไปพักหรือไปสัรหาอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายที่มันน่าพอใจ การกระทำเหล่านั้นอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยมันก็ยังมีผลคือทำให้ใจของเราเนี่ยมันเราร้อนรุ่มร้อนหิวไม่อิ่มสักทีหนึ่งหรือก็พูดให้มันละเอียดลงไปอีกสักนิดหนึ่งก็คือใจเรามันก็ยังไม่ได้ห่างไกลจากโลภโทสะโมหะระักะ แล้ววันวันหนึ่งเดือนเดือนหนึ่งปีปีหนึ่งที่ผ่านๆมามันก็ลักษณะนี้ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยมีอะไรที่มันใหม่สักเท่าไหร่แต่อย่างน้อยๆกันที่เราได้มีโอกาสมาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมแบบนี้เราก็ได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนอิจวัตย์สักช่วงเวลาหนึ่ง แม้ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่มันก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆที่เราได้ทำประโยชน์จริงๆให้กับตัวเองให้ใจมันได้พักจริงๆพักอย่างมีคุณภาพพักแบบมีคุณภาพโดยที่มันไม่วุ่นวายจากเรื่องภายนอกส่วนหนึ่งพักจากการที่ได้อารมณ์ที่มันเป็นอารมณ์ นฝ่ายดีจริงๆให้กับใจอันนี้แล้วผลระยะยาวก็คือมันเป็นการที่จะฝึกนิสัยให้เราได้หลีกไกลออกจากมูลเหตุของความเศร้าหมองของใจก็คือโลภะตัสะโมหะราคะแล้วเราก็ได้ศักยภาพ ในการที่เราจะดูแลใ จ, ใจิตใจดูแลให้ใจมันมีสุขภาพที่มันดีสุขภาพใจที่ดีเป็นยังไงก็คือไม่เศร้าหมองไม่ขุนมัวเบาสบายปลอดโปร่งเป็นใจที่สุดท้ายถ้าเราทำได้ดีมันก็จะเป็นใจที่เบิกบาน อาจจะสงบไม่วุ่นวายในเบื้องต้นน่ะแต่มันยังไม่เบิกบานอันนี้เราก็ยังต้องพยายามปรับปรุงมันขึ้นไปอีกให้จิตใจมันเป็นจิตใจที่ช่มชื่นเบิกบานในท้ายที่สุดได้ด้วยนอกจากที่มันจะนิ่งๆเฉยๆเป็นอุบเบกขาอยู่แล้วอย่างน้อยๆเป็นอุบเบกขาแล้วก็ให้มันปนไปด้วยประสัทธิคือความเบิกบานใจเข้าไปด้วย มันก็ต่อสู้กันอย่างนี้แหละกิเลสมันก็ไม่อยากให้เราได้ทำความดีไม่อยากให้เรามีช่องจังหวะที่จะรู้จักโทษของมันให้เห็นแต่มันพาไปสนุกสนานเฮฮาแต่ลืมไปว่าความสนุกสนานเฮฮาดูมีสีสันเหล่านั้นเนี่ยมันก็เป็นเครื่อง ที่กิเลสมันเอาไว้ล่อหลอกเรานี่แหละอย่างถ้าคนดูสามก๊กใช่ไหมมันมีอยู่ตอนหนึงตอนที่ซุนควนเนี่ยได้ตัวเล่าปี่ไว้ในเมืองนะโดนอุบายเลยเอาน้องสาวมาแต่งงานด้วยนะเอาน้องสาวมาแต่งงานด้วยแต่งงานเสร็จก็ให้ ปลูกปลูกจนให้อยู่เลยหลังหนึ่งใหญ่โตมีค่าท่าบริวารค่าปลาอาหารเงินทองก็ให้ใช้แบบอย่างสะดวกสบายรูหราจากคนที่พื้นเพีเป็นคนพอเสียขายก็ลำบากมาแต่เล็กแต่น้อยนั่นเลย เขาก็คิดคิดว่าอะไรคิดว่าคนคนนี้พื้นเพลลาบากมาแต่เล็กแต่น้อยต่อสู้ดิ้นรนมันก็เพื่อความที่จะมีฐานะที่มันดีขึ้นอะไรแต่ในสมัยนั้นเขาก็ใช้อะไรเพราะว่ามันเป็นยุคที่มีการรบย่งชิงพื้นที่กันอันนี้ก็เลย เข้าไปในวงการเมืองเข้าไปในวงของการรบรา เ, าเริ่มที่จะตั้งตัวได้ก็คือเริ่มที่จะมีเมืองที่เป็นของตัวเองเริ่มที่จะมีไพร่พล น, นั้นก็เริ่มที่จะไปกระทบกับฝ่ายนั้นฝ่ายนี้เพิ่มเติมใช่ไหมอย่างฝ่ายซุนกวนก็เห็นแล้วโอ้อันนี้ก็ ปล่อยไว้ไม่ได้หรอกปล่อยไว้มันแล้วก็จะเป็นหอกข้างแคร่นะถ้าโตขึ้นไปขึ้นไปเดี๋ยมันสักวันหนึ่งต้องสู้กันเราจะทำยังไงไม่ให้มันถึงขนาดที่จะต้องแบบไปรบทับจับศึกกันให้มันเหนื่อยสุดท้ายก็คนเสนอแผนลนั่นแหละเอาเอาน้องไปแต่งงานคเอาน้องไปแต่งงานพอแต่งงานเสร็จเราก็ ได้ตัวเขาเข้ามาอยู่ในเมืองเราแล้วเนี่ยก็จับฆ่าซะเลยแต่นแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะให้แต่งจริงๆหรอกนะแต่สุดท้ายเป็นยังไงสุดท้ายก็คือว่าก็โดนโดนแก้เกมก็เลยการที่อะเอาข่าวไปบอกกับแม่เอาข่าวไปประกาศกับคนในเมืองว่าจะมีการแต่งงานอันนี้มันก็เลยกลายเป็นว่า แผนที่จะล่อมาฆ่าก็ไม่สาเร็จมันก็เลยต้องเลยต่าน้าไปก็ต้องแต่งงานกันจริงๆพอแต่งงานจริงๆแล้วทำยังไงเดี๋ยวเขาก็กลับแล้วสิแต่งงานเสร็จเขาก็กลับเมืองของเขาสิอันนี้ก็เลยแบบแต่งงานแล้ว อ, อยู่ขึ้นก่อนอยู่ให้ลูกสาวได้คลายความเดี๋ยวจะต้องจากกันกับแม่แล้วเนี่ยให้อยู่ให้หาคิดถึงก่อนนะแล้วค่อยไป ปลูกจวนให้อยู่ใหญ่โตมีเงินมีทองใช้มีค่าท่าบ ร, ริวาลอยู่อย่างสะดวกสบายคนก็เสนอแผนมาให้แบบนี้เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าคนโตมาจากความลําบากพออยู่สบายแล้วเนี่ยมันจะได้คลายคลายเหมือนกับมันบรรลุวัตถุประสงค์ในชีวิตแล้วฉันฉันลำบากมาแล้ว ฉันต่อสู้ดิ้นรนก็เมื่อเพื่อความสะดวกสบายในชีวิตมีอยู่มีกินพอมันได้มีอยู่มีกินนี่อย่างสะดวกสบายแล้วเนี่ยมันจะได้คลายความที่มีใจจากการที่จะไปรบทัพจับศึกสุดท้ายเป็นยังไงสุดท้ายก็โชคดีที่ว่ามีที่ปรึกษาดีเขามอง การไก่ใช่ไหมรู้ว่ามันจะมีอุปสรรคแบบนี้ก็ส่งคนมามาเตือนน่นแหละส่งคนมาเตือนมาเตือนแล้วก็เสนอพิธีที่จะหนีออกจากเมืองให้ด้วยอันนี้คือไม่ได้เล่าให้แบบว่าไปดูหนังเมืออะไรอย่างนี้นะแต่หมายถึงว่ามันก็เทียบเคียงนั่นแหละมันก็เป็นอุบายของกิเลสคล้ายๆกันกิเลสนี่มันแนบเนียนกว่า มันแนบเนีนกว่าตรงที่ว่าเรียกว่ามันผูกเราด้วยความสุขความสุขให้เราติดอยู่ในภพอันนี้ผูกเราด้วยความสุขทั้งตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเราก็มีความเพลินมีความยินดีไปกับสิ่งที่มันนาเสนอด้วยก็คือรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเอาเพลิพเพลินยินดีก็เข้าไป ยิ่งเขาเรียกว่าถลำลึกลงไปมีได้มีเสียในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มันจัดวางเอาไว้ให้ด้วยก็เลยกลายเป็นสมมุติต่างๆสมมุติตรงนัมม้นอย่างนี้อันนี้ประนีตอันนี้ไม่ประนีตนกักการให้เราหลงกันไปหลงไปอยู่ในวังวนของ รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันนี้เลยซึ่งถ้าเราพิจารณาเนี่ยมันก็จะค่อยๆได้แกะได้แงยตัวเองให้มันหลุดออกจากเครื่องผูกพันธนาการอันนี้แต่มันก็ไม่ง่ายหรอกกิเลสมันก็ต้องหาเรื่องหาราวที่อ เอาความขี้เกียจมาใส่บ้างถึงคนนี้อยู่ในคลุกคลีในวังในสังคมใหม่ที่เขาเริ่มที่จะมุ่งหน้าออกจากเขาเรียกว่ามุ่งหน้าที่จะหลุดพ้นจากพันธนาการของกิเลสกิเลสก็แน่นอนแหละมันต้องวางยาไม่ให้เราออกไปนะเอาเอาความขี้เกียจมาใส่ก่อนเลย หรือเอาความขยันก็จริงแต่ขยันแบบผิดผิดขยันแบบไหนขยันแบบเอาอยากนาใจไปเอาอยากไปให้มันอยากดีอยากทำให้มันดีทำไปทำไปมันก็ไม่สุกทำไปทำไปมันก็ไม่สบายเพราะว่าอะไรเพราะอยากมันเผาใจอยู่คือเวลาจะทำดีเนี่ยกิเลสมันก็ไม่เช่ว่า ปล่อยให้เราทําดีได้อย่างอิสระเสรีนะมันก็คอยส่งลูกน้องมันเนี่ยมาคอยขัดขวางคอยอยู่ในการทําความดีของเราทุกๆขณะเหมือนกันเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เราได้ทําได้ไม่ดีบ้างทําได้ไม่มีประสิทธิภาพหรือว่าคลายคลายความมีแก่ใจที่เราจะทํามันพูดง่ายคือคลายความเพียรลง มีความอดทนที่มันลดลงอย่างนี้เป็นตน้นหรือแม้แต่กระทั่งให้เราเห็นผิดแล้วก็กลับไปมัวเมาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแบบเดิมโดยที่ไม่มีแก่ใจที่จะมาเห็นคุณค่าของความสงบใจไม่ให้เห็นคุณค่าของความมีสติที่คอยดูแลจิตใจอยู่แบบนี้ ฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแบบเล็กน้อยนะมันเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่โตมากถ้าพูดถึงเรื่องราวต่างๆตามความเป็นจริงในวัฏสงสารนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่โตเรื่องมีคุณค่าที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเป็นการที่เราทวนกระแสทวนกระแสของวัฏตะ เหมือนอย่างน้ำตกที่มันไหลาจากข้างบนลงมาข้างล่างเนี่ยพูดอันนี้แล้วก็นึกถึงการ์ตูนสมัยก่อนเด็กๆไปดูซิงเซี ย, ยนะแาละมันก็มันมีตัวหนึ่งที่ว่าไปฝึกที่เมืองจีนนะมันก็ต่อยน้ำตกอยู่เรื่อยลนะต่อยน้ำตกบอกว่าถ้าสำเร็จวิชาเมื่อไหร่คือต่อยน้ำตกแล้วน้ำมันไหล ย, ย้อนขึ้นไปข้างบนแลน้วก็ต่อยทุกวันต่อยทุกวัน ไตก็ไม่เห็นว่าน้ำมันจะไหลขึ้นไปข้างบนสักทีนึง่งปฏิเสธเกียงอะเราก็เห็นนี่นแหละว่าเวลาที่ธรรมชาติของกิเลสอะมันมีพลังรุนแรงก็เหมือนน้าที่มันไหลลงมาจากข้างบนลงมาข้างล่างนั่นแหละแต่เวลาที่เราจะพยายามทําให้น้ํามันไหลาจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนคือทวนกระแสะขึ้นไปเนี่ยเราใช้พลังเพียงเล็กน้อยเนี่ยมันไปไม่ได้เลย มันก็ต้องใช้พลังอย่างยิ่งใหญ่อย่างเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นกําลังใจกําลังใจที่เราจะมาทวนกระแสของกิเลสมันก็ต้องยิ่งใหญ่ให้มันสมกับการที่เราจะทวนกระแสทวนพลังอำนาจของกิเลสที่มันหมุนวัตตะอันนี้ไป ฟังแล้วก็อาจจะรู้สึกแบบโอ้โหเรื่องใหญ่โตมากมันน่าจะยากจริงๆก็ไม่ได้ทำอะไรยากนะเพราะว่าพระเจ้าก็สรุปหนทางสั้นมาให้แล้วมันไม่มีหนทางที่มันง่ายและสั้นไปกว่านี้แล้วเราก็ถือว่าเราโชคดีตรงที่เราได้ได้ยินได้ฟังคำสอนน่ะคือเราไม่ต้องไปค้นเอง ไม่ต้องไปหาเองว่าอะไรคือสิ่งที่มันต่อสู้กับกิเลสแล้วได้ผลดีอะไรเป็นเลนเหลี่ยมของกิเลสอะไรเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ของธรรมะที่จะเอาไว้ใช้ต่อสู้แล้วทางดําเนินที่จะสู้สู้ได้กี่แบบสู้ได้แง่ไหนมุมไหนเหลี่ยมไหนได้บ้างเราก็ ไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรในการที่จะไปค้นหาแล้วก็สรุปรวบรวมเป็นหมวดหมู่พระพุทธเจ้าก็ทรงค้นพบความจริงเหล่านั้นเอาไว้ให้แล้วแล้วก็ถือว่าเป็นโชคดีอย่างยิ่งที่โดยปกติบางครั้งคนที่เราอ่ามันก็จะมีอ่ะเหมือนอย่างถามว่ารู้สึกยังไงบางคนอธิบายเป็นคำพูดได้ บางคนอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้บางคนอธิบายเป็นคำพูดได้แต่ก็ยังเรียบเรียงแล้วยังเข้าใจยากก็มีแต่อย่างที่พระรู้รเจ้าเนี่ย mm. ก็ถือว่าเราโชคดีมากเพราะว่าพระองค์เป็นผู้ที่รู้แจ้งในความจริงแล้วคือจริงๆไม่ได้รู้อะไรใหม่นะรู้ความจริงของโลกใบ น, นี้ที่มันเป็นไปอยู่แล้วตามความเป็นจริงทนเทนันเอง แล้วก็สรุปรวบรวมเรียบเรียงอันไหนจำเป็นก่อนอันไหนจำเป็นทีหลังอันไหนยังไม่จำเป็นก็เรียงเรียบเรียงจัดเป็นหมวดหมู่เอาไว้พอพูดถึงว่าไม่จำเป็นก็อาจจะงงๆใช่ไหมคืออย่างสมัยก่อนมันก็มีความอยากรู้อยากเห็นในหลายๆเรื่องไม่ต่างจากคนสมัยนี้หรอก อย่างคนสมัยก่อนก็ออย่างเช่นนะมันก็จะมีพระสูตรอันหนึ่งที่จะพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมักจะแสดงมักจะพูดคุยตอบโต้ตอบคําถามกับคนที่มาถามเนี่ยเรื่องไหนในนั้นก็สรุปเอาไว้คร่าวๆให้นะว่าเรื่องคนชอบมาถามเรื่อง โลกนี้มีไหมเรื่องโลกหน้ามีไหมชีวิตนี้มีไหมชีวิตอื่นมีไหมหรือแม้แต่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ย อ, องนี้สเสด็จอูบบติแล้วเนี่ยแล้วองก่อนมีหรือเปล่าองคัถัดไปจะมีไหมเบื้ต้นนะการเป็นในสมัยนี้ก็พู้ที่มันเขีนภาพชัดก็อาจจะแบบ ไอ้ดาอังคารมันมีมีคนอยู่หรือเปล่าหรือว่าเคยมีหรือว่าไม่เคยมีมาก่อนมันก็เป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์นั่นแหละใช่ไหมคือไม่ใช่เรื่องที่เรารู้ไม่ได้พิสูจน์ไม่ได้หรือแม้แต่ว่าไอ้ไอ้จากกรวาลของที่เราเห็นเห็นอยู่เนี่ยมันเกิดเหนื่ยมายังไง เหล่านักคน้นเหล่านักคิดเหล่านักสืบทางความเป็นจริงก็พยายามตามเครื่องไม้เครื่องมือที่ที่เขามีนั่นแหละพยายามคิดทฤษฎีแล้วก็พยายามจะอธิบายว่าความเป็นจริงเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้มันเป็นยังไงซึ่งบางบางครั้ง ผ่านไปร้0ยปี200ปีก็มีคนที่นำเสนอทฤษฎีอันใหม่แล้วก็ทฤษฎีเก่าก็เลิกใช้ไปเพราะว่าทฤษฎีใหม่มันตอบโจทย์มากกว่าตรงกับความเป็นจริงมากกว่าซึ่งสิ่งเหล่านี้นี่พระพุทธเจ้าถามว่ารู้ไหมด้วยความเป็นสัพพัญ ย, ยูก็คิดว่าน่าจะรู้นะแต่พระองค์ไม่ได้แสดงเฉยเพราะอะไรเพราะว่า หลวงบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนอะไรคือรู้ไปก็ยังไม่ได้มีประโยชน์มากอย่างคนเคยมาถามว่าโลกตกลงนั่นเน่ยสังฐานมันเป็นยังไงกันแน่แต่คราวนั้นพระรูปเจ้าก็ตอบห้ก็หยิบผลมะขามป้อมขึ้นมาอันแล้วใครเคยเห็นมะขามป้อมก็น่าจะพอนึกออกก็เป็นกลมๆหน่อยแต่มันก็ไม่ได้กลมสัีเดียวนะแต่มันก็เป็น มีลายของมัน เ, นเป็นซี่ๆเ อ, อกมาคล้ายๆเกลีบส้มเงี้ยนะสันธานก็เหมือนมะขามป้อมนี่แหละซึ่งสมัยก่อนสองพันกว่าปีสมเกือบศักร้อยสองพันห้าร้อยสอปีเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะพิสูจน์ได้ว่ามันกลมจริงไหมพระเจ้าบอกกลมมันก็ไม่มีใครพิสูจน์ได้จริงๆว่ากลมหรือเปล่าซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเขาก็เชื่อกันว่า โลกเป็นศูนย์กลางบ้างแหละโลกแบนบ้างแหละพระพุทธเจ้าบอกโลกกลมอ่าก็บางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อเพราะอะไรเลยเพราะว่าคนเหล่านั้นก็ไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะรู้หรือพิสูจน์ความรู้ของพระพุทธเจ้าได้ในแง่นี้ในเรื่องนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงแบบไม่ค่อยให้ความสําคัญมากกับเรื่องที่ไม่ริ่งด่วน อันนี้แล้วความจริงที่เป็นเรื่องเร่งด่วนที่พระพุทธเจ้าบอกว่าควรจะต้องรู้ควรจะต้องเร่งควรจะต้องรีบศึกษาคือเรื่องอะไรก็เรื่องเกี่ยวกับความทุกข์ไงเรื่องเกี่ยวกับเหตุเกิดของความทุกข์ไงเรื่องเกี่ยวกับความดับของความทุกข์ไงแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับ ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกเนี่ยอันนี้สําคัญนะเพราะอะไรเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่มันอยู่กับตัวเราทุกคนน่ยมันเป็นเรื่องที่เราก็พิสูจน์ได้ด้วยตัวเองด้วยเพราะความทุกข์มันถูกต้องที่ใจของเราแล้วเนี่ยมันก็มันไม่ต้องพูดกันให้มากความคนทุกข์มันก็รู้ว่าตัวเองทุก หรือดูหน้าสีหน้าคนอื่นมันก็พออนุโมานไะด้ว่าเออเขาคนนี้ก็อมทุกข์อยู่นะมีทุกข์อยู่ทุกข์ได้ถูกต้องจิตใจของเขาแล้วไม่ต้องไปแหวกไม่ต้องไปส่องดูจิตใจบางครั้งดูแค่สีหน้าอาการมันก็ยังพอรู้ว่าเออคนนี้เนี่ยมีความทุกข์ที่มันย่ำยีจิตใจของเขาอยู่แล้วเวลาคนที่มันมีความทุกข์เนี่ย อมันทุกมันแปลว่ามันแปลว่าทนอยู่ไม่ได้นะเพราะนั่นหมายก็ตรงตามความหมายของสัตว์นั่นแหละคือมันไม่เป็นตะอยู่นั่นแหละจะหันซ้ายหันขวามันก็ไม่เป็นตะอยู่ทั้งนั้นแหละกลับกันเวลาทุกข์ที่มันลดลงหรือมีความสุขนจะหันซ้ายหันขวาก็อยู่ตรงไหนมันก็มีความสุขทังนั้นจะอยู่ในที่ร้อนสักหน่อย แต่ใจเราสบายเขาเรียกว่าก็ยังพอทนได้กยังพอมีความสุขในอากาศร้อนๆอยู่ได้บ้างง่ายๆมีความสุขใจนะสุขกายมันก็อาจจะไม่ค่อยสุขหรือมีความทุกข์ทางกายก็ว่ากันไปแต่นี้ก็คือจะให้เห็นเรื่องเร่งด่วนว่าสุขทุกทางใจเนี่ยมันเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ผู้ที่ต้องการจะอยู่บนโลกใบนี้ให้อย่าง สบายให้อย่างมีความสุขมากมีความทุกข์น้อยเนี่ยต้องมาศึกษานะต้องมาเร่งศึกษาจริงจังแล้วประกอบกับเรื่องความสุขความทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะชาตินี้ชาติเดียวนะถ้ามันวน ล, ลูกกลับมาเป็นชาติต่อไปเนี่ยมันก็กลับซ้ำเก่านี่แหละแลวการวน ล, ลูก มันไม่ได้เฉพาะอัตภาพที่ว่าใครได้อัตภาพความเป็นมนุษย์มาแล้วเกิดมาชาติถัดๆไปจะเป็นมนุษย์อยู่ตลอดอันนี้ลัิชาวก็บอกไม่ใช่นะมันก็เป็นไปตามกรรมนั่นแหละกรรมมันก็เป็นตัวชักนำที่ทำให้เราไปอยู่ในภูมิของสัตว์จะรด้ฉานบ้างก็ได้ หรืจะไปเป็นภูมิที่มันอัพขึ้นไปเป็นเทวดาก็ได้แต่บางนคนเกิดมาเป็นคนอย่างเงี้ยแล้วก็ฆ่าสัตว์อยู่เป็นประจำอย่างเงี้ยตายไปด้วยใจที่มันเศร้าหมองไงโอกาสไปตกนรกมันก็มีมากพ้นจากนรกมาแล้วจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอาจจะไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่เป็น สัตว์ที่อาจจะต้องโดนเขาฆ่าอยู่บ่อยๆก็เป็นเรื่องปกติที่มันเป็นเรื่องง่ายจะกลับมาเกิดในภูมิมนุษย์มันก็เป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นก็มันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะที่เราจะได้หลุดพ้นจากพัฒ น, นาการของกิเลสอำนาจของกิเลส กิเลสมันไม่ได้ปิดมันจะไม่ได้กักขังเฉพามนุษย์นะไอภูมิทุกขติเนี่ยมันสบายสายแล้วมันไปไหนไม่รอดแต่ไอภูมิสุขติเนี่ยมันมีโอกาสรอดเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็ตามแม้แต่เทวดาก็ตามหรือแม้แต่พรมยกเว้นพรมชั้นสุดทาวาสนะนอกนั้นพรมอื่นๆเทวดาทั้งหมดมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยมูสัตว์เหล่านี้ล้วน ล้วนอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสทั้งนั้นกิเลสมันก็กักขังหน่วงเหนียวให้เรายังต้องวีนว่ายตายเกิดอยู่ในภ พ, พภูมิเหล่านี้แหละทำดีก็ไปเป็นเทวดาบ้างหรือไปเป็นพรหมบ้างหมดบุญจากพรหมหมดบุญจากเทวดากลับไปเป็นสัตว์ดิเรกชันก็มีไปเป็นสัตว์นรกก็มีหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีเหล่านี้ มันก็เวียนวนวนเวนียนอยู่อย่างนี้กิเลสมันก็กักขังดวงจิตอิจฉาเอาไว้ให้อยู่ในวัตฏะให้มันวนไปวนมาอย่อย่างนี้แหละใครมีทิฏฐิที่มันดีที่ทําความดีที่สั่งสนบุญก็อยู่ในโซนสุขติภูมิไปใครมีบาปมากอกุศลมากว่ามันให้ผลคุณก็ไปอยู่ทุตตินะอาจจะไปอย่างเหมืน ที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่ตลอดก็คืออย่างพระเทวทัศน์อย่างนี้ทำบาปทบาปกุศลมากแล้วก็ทำกรรมหนักที่เรียกว่าอานันตริยกรรมก็คือทำบับทรายพระพุทธเจ้าแม้แต่แค่ห้อหอพระโลหิตแค่นี้ก็เป็นกรรมหนักตายไปก็อยู่เอเวจีมหานรกก่อน แต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยทําบุญไม่เคยสั่งสมบุญนะแต่หมายความว่ากรรมตัวเนี้มันหนักมันให้ผลก่อนเพราะฉะนั้นก็เสวยผลกรรมตัวนี้ก่อนเราะฉนันการที่เราจะหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสเนี่ยมันดูเหมือนเราต้องทําอะไรที่มันยิ่งใหญ่ยา ก, ยากแต่ก็เราก็โชคดีนั่นแหละที่พระพุทธเจ้าเนี่ย สรุปรวบรวมแล้วก็เลือกวิธีการที่มันง่ายที่สุดมาให้แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแค่บางครังทำแบบนี้แหละคอยมีสติรับรู้ถึงใจคอยมีสติที่กำกับใจอยู่ไม่ให้ใจของเราเนี่ยไหลไปอยู่ในด้านของโลภะโทสะโมหระรักะพยายามรักษาใจให้เป็นใจที่ หลีกไกลออกจากโลภะโทสะโมหะราคะจะหลีกไกลได้ยังไงหลีกไกลก็ไม่ได้ทําอะไรมากก็แค่มีเครื่องอยู่ที่มันไม่เจือปนไปด้วยโลภะโทสะโมหะราคะนั่นคือเอามาอยู่กับลมหายใจหรือเอามาอยู่กับคําบริกรรมพุทโธเป็นต้น ซึ่งเครื่องอยู่อ่ะมันก็มีได้เยอะแยะที่มันไม่เกี่ยวเนื่องด้วยโลภะโทสะโมหะราคะนะแต่อันนี้เราก็การที่เรามา น, นึกถึงพุทธโธใจเราก็เหมือนได้เรียกพระนามของพระพุทธเจ้านั่นแหละใจเรามันก็ทําให้พอเรานึกถึงพระพุทธเจ้าใจเรามันก็น้อมไปนึกถึงคุณงามความดีของพระองค์นึกถึงความบริสุทธิ์ของจิตใจของพระองค์ ซึ่งการที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็ทําให้โลภะโทสะโมหะราาักะมันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ในใจเรานะักขณะนั้นอยู่แล้วหรือแม้แต่การที่เราเห็นลมหายใจเข้าเห็นลมหายใจออกเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติที่ธรมธรมดาธรรมดากลางๆกง็ยังไม่ได้คล่อนไปทางโลภะคีอความอยากอยากได้อยา่างมีอยากเป็น อยากนะั่นที่อย่างนั้นอยากอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ไม่ได้ขุนเคืองไว้ด้วยโทสะไม่ได้มึนๆเมาๆหลงๆเผลอไปด้วยโมหะ พ, พูดคำว่าโลภะกับโทสะเนี่ยมันก็ดูกันง่ายอยู่แล้วแต่บางคนก็อาจจะเริ่มสงสัยเอ๊ะแล้วแล้วไอ้โมหะมันดูยังไงจริงๆโมหะเบื้องต้นมันก็ไม่ได้ดูยากอะไรนะ ก็คือการที่เราเผลอเนัเ่นแหละเผลอมันก็เป็นสายของโมหาไปแล้วแต่โมหะมันไม่ได้มีสีสันเหมือนกับโทสะที่มันดูจะเร่าร้อนที่จิตใจแล้วก็ไม่เหมือนกับโลภะที่มันทําให้จิตใจเรามันดิ้นรนทะยานอยากมันก็อาจจะดูเรียบเรียบเนิบเนิ บ, นบสังเกตยากแต่ก็พอสังเกตได้จากความเผลอนี่แหละ หรือมันก็เป็นอาการหนึ่งของความหลงแต่พอถ้าหลงตัวจริงของมันเนี่ยมันก็ทําให้เราหลงผิดหลงเห็นผิดหลงคิดผิดเหล่านั้นอันนั้นมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่เราจะจับใจที่มันเป็นไปด้วยอํานาจของความหลงเนี่ยก็คือที่มันเผลอไปนั่นแหละ เพราะฉะนั้นการที่เราเห็นใจว่ามันหลุดออกจากลมหายใจหลุดออกจากพุโทโธเราก็เป็นผู้ที่เราได้เข้าทันความหลงมากขึ้นมากขึ้นตามลำดับอยู่แล้วอย่างครูบาอาจารย์บางท่านก็ใช้สำนวนที่ว่าเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ มีความรู้สึกตัวอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนทุกๆครั้งที่เราเห็นกายของเรานั่งอยู่ทุกๆครั้งที่เราเห็นพุโทโธความใส่ใจก็อยู่กับพุโทโธอยู่กับการดูการรู้เห็นกายอย่างนี้นะก็คืนชื่อว่าความหลงมันก็ได้หลีกไกลออกจากใจของเรา มันก็อยากจะย้ําน่ะแหละว่าจริงๆแล้วถึงมันจะดูเป็นเรื่องที่ถ้าดูจากตามันเป็นเรื่องที่ธรรมดาธรรมดาตื่นมาก็มานั่งนั่งอะไรนั่งดูลมหายใจธรรมดาธรรมดาตื่นมามันนั่งพุทโธมันก็ดูธรรมดาธรรมดาแตความธรรมดาแบบนี้เนี่ยมันคือความไม่ธรรมดาอย่างที่ว่าไปมันเป็นความธรรมดาที่ยิ่งใหญ่ ทีมันจะสร้างพลังอำนาจให้เราทวนกระแสของวัฏสงสารหลุดออกจากวัฏอันนี้ได้มาจากความธรรมดาธรรมดาแบบนี้หละเพราะฉะนั้นก็ให้เราภูมิใจให้เราดีใจที่เราได้ที่เราได้มาทําความดีที่เราได้มาทําความดีแบบดีจริงๆดีนั่งในเบื้องต้น ขอการทําความดีแบบนี้ในปัจจุบันดีทั้งในผลท่ามกลางของมันคือความสงบใจที่มันได้ได้ดีในถึงที่สุดปลายทางก็คือเราสามารถที่จะหลุดออกจากวัฏฏะสงสารไม่กลับมาเวียนว้าตายเกิดอีกหลุดพ้นจากพันธนาการเครื่องผูกของกิเลสที่เรียกว่าสังโยะก็คือเครื่องผูกร้อยรักที่เรา จะถูกขังเอาไว้ในวัตตะอันนี้เพราง้ก็ให้ยินดีให้ภูมิใจในในการกระทำธรรมดาธรรมดาง่ายๆอันนี้ของเราเนี่ยในการที่เรามาดูแลจิตใจที่มันดูจะธรรมดาธรรมดาแบบนี้นั่นแหละ